คำพีวิสุทธิมักรปริเฉตที่ยี่สิบมักขามัคคยาณทัศนวิสุทธินิเทศอันหนึ่งยานซึ่งรู้ทางถูกและทางไม่ถูกอย่างนี้ว่านี้เป็นทางนี้ไม่ใช่ทางดังนี้ชื่อว่ามักขามัคคยาณทัศนวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของความรู้และความเห็นว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูก ละไม่ถูกกลาปะสัมมาสนญาณข้อนี้ได้แก่สัมมาสนญาณซึ่งเป็นญาณอันดับที่สามในญาณสิบหกโยคีผู้ปรารถนาเพื่อบรรุมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธินั้นเริ่มแรกควรทำโยคะคือการบำเพ็ญความเพียร ในนัยวิปัสนาที่เรียกว่ากลาปะสัมมสนะคือการกำหนดพิจารณาธรรมะเป็นหมวดเป็นกองก่อนถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเมื่อธรรมะมีโอภาษคือแสงสว่างเป็นต้นเกิดขึ้นแกโยคีผู้แรกเริ่มปฏิบัติวิปัสนามัคคะมัคคยาณทัศนะความรู้ความเห็น ว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูกและไม่ถูกจึงเกิดขึ้นความจริงเมื่อธรรมะทั้งหลายมีโอภาษเป็นต้นเกิดขึ้นท่านโยคีผู้แรกเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาก็มีมักคคามักขยานอยู่ด้วยด้วยว่ากลาปะสมัมมสนาญาณเป็นญาณเริ่มต้นของวิปัสสนาเพราะฉะนั้น ท่านจึงยกกลาปะสัมมสนญาณ น, นี้ขึ้นแสดงไว้ในลำดับของการคาวิตารณะวิสุทธิอีกประการหนึ่งเพราะเมื่อติรณะปริญญาเป็นไปอยู่มักคามัคยานจึงบังเกิดขึ้นและติรณะปริญญาก็บังเกิดขึ้นในลำดับของยาตะปริญญาเพราะฉะนั้น โยคีผู้ปรารถนาบรรลุมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินั้นจะต้องทำโยคะในกลาปะสมณญาณคือการกำหนดรู้ด้วยความเป็นหมวดเป็นกองก่อนในการกำหนดรู้โดยความเป็นหมวดเป็นกองคือกลาปะสมณะ น, นั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ความจริงโลกิยปริญญา คือการกําหนดรู้ขั้นโลกียะมีอยู่สามคือหนึ่งญาติปริญญาการกําหนดรู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วคือปรากฏอยู่แล้ว 2. ติรณปริญญาการกําหนดรู้ด้วยการไตร่ตรองคือใคร้ครวนและ 3. ปหาณปริญญา การกำหนดรู้ด้วยการละปริญญาทั้งสามนี้ท่านกล่าวระบุถึงไว้แล้วในปฏิสัมพิธามักว่าปัญญาในการรู้ยิ่งชื่อว่าญาณโดยความหมายว่ารู้กันอยู่แล้วปัญญาในการกำหนดรู้ชื่อว่าญาณโดยความหมายว่าไตราตรองปัญญาในการละชื่อว่าญาณ โดยความหมายว่าสละไปดังนี้ในปริญญาสามอย่างนั้นปัญญาที่เป็นไปด้วยการกำหนดรู้ลักษณะเฉพาะของธรรมะทั้งหลายเหล่านั้ น, น, น, <ๆ> น, นเช่นอย่างนี้ว่ารูปมีลักษณะเสื่อมสลายไปเวทนามีลักษณะสวยอารมณ์ดังนี้ชื่อว่ายาตปริญญากำหนดรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่แล้ว ส่วนปัญญาคือวิปัสนามีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ซึ่งยกธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละขึ้นสู่สามัญลักษณะแล้วเป็นไปโดยนิยะเป็นต้นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงดังนี้ชื่อว่าติรณปริญญาแต่วิปัสนาปัญญาที่มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั่นแหลซึ่งเป็นไปด้วยการละความหมายรู้ มีความหมายรู้ว่าเที่ยงเป็นต้นในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองชื่อว่าปหาณะปริญญาในปริญญาสามนั้นตั้งแต่สังขารปริเชษการกําหนดรู้สังขารคือนามรูปปริเชทะยานซึ่งเป็นยานที่หนึ่งมาถึงปัจจยะยปริกะหะการกําหนดรู้ปัจใจของนามและรูป คือปัจจะยปริคหายานซึ่งเป็นยานที่สองเป็นภูมิของยาตะปริญญาเพราะในระหว่างนี้ความเป็นใหญ่มีอยู่แก่การแทงตลอดลักษณะเฉพาะตัวของธรรมทั้งหลายอย่างเดียวส่วนตั้งแต่กลาปสัมมสนญาณซึ่งเป็นยานที่สามจนถึงอุทยพยายาณุปสนาญาณซึ่งเป็นยานที่สี่ เป็นภูมิของติรณะปริญญาเพราะในระหว่างนี้ความเป็นใหญ่มีอยู่แก่การแทงตลอดสามั ญ, ญลักษณะโดยเฉพาะตั้งแต่พังคานุปสนาญาณซึ่งเป็นญาณที่ห้าเป็นต้นไปจนถึงญาณในเบื้องสูงเป็นภูมิของปหานาปริญญาเพราะว่าตั้งแต่พังคานุปสนาญาณนั้นไปความเป็นใหญ่มีอยู่แก่อนุปสนาเจ็ด ซึ่งทำให้สำเร็จการละความหมายรู้มีความหมายรู้ว่าเที่ยงเป็นตน้นตามที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเมื่อเห็นเนืองเนืองโดยความไม่เที่ยงก็ละความหมายรู้ว่าเที่ยงเมื่อเห็นเนืองเนืองโดยความเป็นทุกข์ก็ละความหมายรู้ว่าเป็นสุขเมื่อเห็นเนืองเนืองโดยความไม่มีอัตตาก็ละความหมายรู้ว่ามีอัตตา เมื่อเบื่อนายก็ละความเพลิดเพลินยินดีเมื่อปราศจากความกำหนดก็ละราคะเมื่อดับก็ละเหตุเป็นแดนเกิดคือสมุ ท, ทยัยเมื่อสลัดทิ้งไปก็ละความยึดถือดังนี้ในปริญญาสามดังกล่าวนี้ เป็นอันว่าโยคีได้บรรลุยาตาปริญญาโดยเฉพาะแล้วเพราะได้ทำทั้งสังขานปริเชตคื อ, อยานที่หนึ่งด้วยทั้งปัจจะยะปริคหะคื อ, อยานที่สองด้วยให้สำเร็จแล้วและปริญญาอีกสองอย่างก็ควรบรรลุด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ข้างต้นว่าเพราะเมื่อตีรนะปริญญาเป็นไปอยู่มัคคามัคยานจึงบังเกิดขึ้น และตีรณปริญญาก็บางเกิดขึ้นในลำดับของยาตาปริญญาเพราะฉะนั้นโยคีผู้ปรารถนาบรรลุมัคค า, า, ายานัทสนวิสุทธินั้นจะต้องทำโยคะในการกำหนดรู้ด้วยความเป็นหมวดเป็นกองก่อนดังนี้ในการกำหนดรู้ด้วยความเป็นหมวดเป็นกองที่เรียกว่า กลาปสัมมาสนะนั้นมีพระบาลีปแปลความดังนี้ถามปัญญาในการย่นย่อ ก, กาหนดรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าสัมมสนญญ า, าคือญาในการกำหนดรู้เป็นอย่างไรตอบรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ทั้งภายในหรือภายนอกทั้งหยาบหรือละเอียดทั้งเลวหรือปราณีตทั้งอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้โยคีกําหนดรู้รูปทั้งหมดนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นสัมมสนาหนึ่งและโดยในยะเดียวกันกําหนดรู้โดยความเป็นทุกข์เป็นสัมมสนาหนึ่งกำหนดรู้โดยความไม่มีอัตตาเป็นสัมมสนาหนึ่ง เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามกําหนดรู้สัญญาอย่างใดอย่ า, ย า, ยายงหนึ่งก็ตามกําหนดรู้สังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามกําหนดรู้วิญ ญ, ญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามกําหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นสัมมาสนาหนึ่งกำหนดรู้ด้วยความเป็นทุกข์เป็นสัมมาสนาหนึ่งกำหนดรู้โดยควา ม, มาา alpha, ไม่มีอัตตาเป็นสัมมาสนาหนึ่ง กำหนดรู้จากขุปไปยานชราและมรณะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงเป็นสัมมาสนาหนึ่งโดยความเป็นทุกข์เป็นสัมมาสนะหนึ่งโดยความไม่มีอัตตาเป็นสัมมาสนาหนึ่งปัญญาในการย่นย่อ ก, กำหนดรู้ว่ารูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยง ปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความปราศจากราคะไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เป็นสัมมสนญานหนึ่งปัญญาในการย่นย่อ ก, กําหนดรู้ว่าเวทนาปัญญาในการย่นย่อ ก, กําหนดรู้ว่าสัญญา ปัญญาในการย่นยอ่อกำหนดรู้ว่าสังขารทั้งหลายปัญญาในการย่นยอ่อกำหนดรู้ว่าวิญญาณปัญญาในการย่นยอ่อกำหนดรู้ว่าจาักขู่ไป ย, ยาณคือจนถึงชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เป็นสัมมสัญ า, านหนึ่ง ปัญญาในการย่นยออ่อกำหนดรู้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีชราและมรณะดังนี้เป็นสัมมาสน ญ, ญาหนึ่งปัญญาในการย่นยออ่อกำหนดรู้ว่าทั้งในอดีตการก็ดีทั้งในอนาคตการก็ดีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเมื่อไม่มีชาติ ก็ไม่มีชราและมรณะดังนี้เป็นสัมมาสนญญ า, านหนึ่งปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเป ย, ยานคือจนถึงเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่มีสังขารดังนี้เป็นสัมมาสนญญ า, านหนึ่ง ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่าทั้งในอดีตการก็ดีทั้งในอนาคตการก็ดีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเมื่อไม่มีอวิชชาก็ไม่มีสังขารทั้งหลายดังนี้เป็นส ม, มัสนญยานหนึ่งสมั ส, มมสนญยานนั้นชื่อว่ายานโดยความหมายว่ารู้แล้ว ชื่อว่าปัญญาโดยความหมายว่ารู้ทั่วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าปัญญาเป็นการย่นย่อกาหนดรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าสัมมสนญาณดังนี้ข้อธรรมด้วยไปยานอันหนึ่ง ด้วยการใส่ปยานใหญ่ไว้คือด้วยปยานถ้าในบาลีจะเขียนเป็นปียานเปไปยานการใส่ปียานใหญ่ไว้ว่าจกขู่ปยานใหญ่ชราและมรณะดังนี้ในพระบาลีนั้นพึงทราบว่าท่านย่นย่อเอาหมวดธรรมะเหล่านี้ไว้คือ ธรรมะทั้งหลายที่เป็นไปในทวารพร้อมทั้งทวารและอารมณ์ทั้งหลายขันห้าทวารหอารมณ์หวิญญาณหกผัสสะหเวทนาหสัญญาหกเจตนาหตัณหาหวิตก6หวิจารณห6ธาตุหกกสินสิบโกฏธาตุคืออาการสาสสองอายตนะส2สองธาตุสบปด อินสียี่สองธาตุสามภพสามอีกสามและพบอีกสามญาณสี่อปปัมัญญาสี่สมาบัตส4และองค์ของปฏิจสมุบบาส12องดังนี้ความจริงข้อนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้แล้วในอภิญญานิเทศในปฏิสัมพิามักว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งคืออะไรภิกษุทั้งหลายจักขู่เป็นสิ่งควรรู้ยิ่งรูปทั้งหลายเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งจักขูวิญญาณเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งจักขูสัมผัสเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งถึงแม้การสวยอารมณ์เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดี ไม่เป็นทุกข์และไม่เป็นสุขก็ดีซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยนี้นั้นก็เป็นสิ่งควรรู้ยิ่งโสตคือหูเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งไปยานถึงแม้การสวยอารมณ์เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่เป็นทุกข์และไม่เป็นสุขก็ดีซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยนี้นั้นก็เป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง รูปวิญญาณเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งจักขุมโนโรูปธรรมะทั้งหลายจักขุวิญญาณมนโนวิญญาณจักขุสัมผัสมนโนสัมผัสเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาเกิดแต่นโนสัมผัสสัญญาในรูปสัญญาในธรรมสัญเจตนาในรูปสัญเจตนาในธรรมตัณหาในรูปตัณหาในธรรม วิตกในรูปวิตกในธรรมวิจารในรูปวิจารในธรรมปัทวีธาตวิญญาณธาตปัทวีกสินวิญญาณกสินเส้นผมคือเกสาส่วนสมองในกระหม่อมอายตนะคือจักขุอายตนาคือธรรมารมจักขุธาตรูปธาตจักขุวิญญาณธาตมโนธาตธรรมธาต มนโนวิญญาณธาตุจากขุนศีัญญาตาวินศีกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกาวการภพจตุวการภพปัญจาวารภพปฐมฌาน เปยัญจะตุทัตชาญเมตตาเจโตวิมุตต์เปยัญอุเบกขาเจโตวิมุตต์อากาสานัญญาตนะสมาบัติเปยานเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งอวิชชาเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งเปยานชราและมรณะเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งดังนี้ สิ่งทั้งปวงที่ควรรู้ยิ่งท่านยนย่อไว้ด้วยเปยายานในบาลีคือเปยยานน้อยเปยปยยานน้อยนะครับสิ่งทั้งปวงที่ควรรู้ยิ่งท่านยนย่อไว้ด้วยเปยายานในที่ทุกแห่งในวิสุทธิมากนี้เพราะท่านกล่าวไว้พิสดารอย่างนั้นในอภิน ญ, ญานิเทศนั้นแล้วแต่เท่าว่าเมื่อไดยนย่อไว้อย่างนี้แล้ว โลกุตรธรรมทั้งหลายเหล่าใดมาในพระคัมภีร์วิสุธทธิมากนี้ไม่ควรรับเอาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไว้ในอธิการนี้เพราะไม่เข้าถึงสัมมสนญญาณอีกประการหนึ่งถึงในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงสัมมสนาคือการกําหนดรู้เฉพาะธรรมะทั้งหลายที่ปรากฏชัดและถึงการกําหนดรู้ได้ง่ายโยคีนั้น จึงควรเริ่มกำหนดรู้ในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นในสัมมาสนะนั้นมีการประกอบวิธีปรารบโดยทางขันดังนี้คือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งไปยานโยคีกำหนดรู้รูปทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงเป็นสัมมาสนะหนึ่งโดยความเป็นทุกข์เป็นสัมมาสนะหนึ่งโดยความไม่มีอัตตาเป็นสัมมาสนะหนึ่ง รพระภิกษุนี้ครันกาหนดรูปหมดแม้ทุกชนิดซึ่งมีได้ชี้ตายตัวลงไปอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยโอกาสทั้งสิบเอ็ดคือจำแนกโดยหมวดสามแห่งการมีอดีตเป็นต้นและโดยหมวดสองแห่งรูปมีรูปภายในเป็นต้นอีกสี่หมวดด้วยคือทั้งภายในหรือภายนอกหมวดหนึ่งทั้งหยาบหรือละเอียดหมวดหนึ่งทั้งเลวหรือปราณีตหมวดหนึ่ง และทั้งไกลหรือใกล้หมวดหนึ่งโดยอาการเพียงนี้แล้วกำหนดรูปทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงชื่อว่ากำหนดรู้ว่าอนิจจะถามกำหนดรู้ว่าอนิจจะอย่างไรตอบกำหนดรู้ว่าอนิจจะโดยนยัยยะดังกล่าวไว้ข้างหน้านั่นแล เพราะท่านกล่าวไว้แล้วว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าไม่เทียงโดยความหมายว่าสิ้นไปดังนี้เพราะฉะนั้นพระภิกษุนี้จึงกำหนดรู้ว่ารูปใดเป็นอดีตรูปนั้นสิ้นไปแล้วในอดีตนั่นแหลไม่มาถึงพบนี้เพราะเหตุนี้จึงเป็นของไม่เทียงโดยความว่าสิ้นไป รูปใดเป็นอนาคตจะเกิดขึ้นในภพเป็นลำดับไปถึงแม้รูปนั้นก็จกสิ้นไปในภพนั้นนั่นเองจกไม่จากภพนั้นไปสู่ภพอื่นเพราะเหตุนี้จึงเป็นของไม่เทียงโดยความหมายว่าสิ้นไปรูปใดเป็นปัจจุบันถึงแม้รูปนั้นก็สิ้นไปในภพนี้นี่เองไม่ไปจากภพนี้ เพราะเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไปรูปใดเป็นภายในถึงแม้รูปนั้นก็สิ้นไปภายในนั่นเองไม่ไปถึงภายนอกเพราะเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไปรูปใดเป็นภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตอยู่ณที่ไกล อยู่หน้าที่ใกล้ถึงแม่รูปนั้นก็สิ้นไปณที่ใกล้นั้นเองไม่ไปถึงความเป็นที่ไกลเพราะเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไปดังนี้การกำหนดรู้แม้ทั้งหมดนี้เป็นสมัมมาสนาหนึ่งตามคําที่ว่าเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไปดังนี้ แต่ถ้ว่าโดยประเภทเป็นสมัมมสนาสิบเอ็ดอย่างและรูปทั้งหมดนี้นั่นแหลชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่าเป็นสิ่งพึงกลัวที่ว่าโดยความหมายว่าเป็นสิ่งพึงกลัวหมายความว่าเพราะมีภัยประจันหน้าอยู่แน่ละ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นของนำเอาความน่ากลัวมา ดุดการนำเอาความน่ากลัวมาแก่เทวดาทั้งหลายในสีโหปมาสูตรถึงแม้การกำหนดรู้ด้วยประการชนนี้ก็เป็นสมมณะนหนึ่งตามคำที่ว่าชื่อว่าเป็นทุก์โดยความหมายว่าเป็นสิ่งพึงกลัวดังนี้แต่ถ้าว่าด้วยประเภทก็เป็นสมมณะสิบเอ็ดอย่างอันหนึ่ง รูปทั้งปวงชื่อว่าเป็นทุกข์ชันใดรูปแม้ทั้งหมดนั้นหามีอัตตาไม่โดยความหมายว่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสารที่ว่าโดยความหมายว่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสารหมายความว่าเพราะไม่มีแก่นสารคืออัตตาซึ่งเจ้าลัทธิทั้งหลายคิดเห็นกันอย่างนี้ว่ามีอัตตามีผู้อยู่เป็นนิดมีผู้สร้าง มีผู้เสวยมีผู้มีอำนาจในตัวเองแน่ละรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นก็เป็นทุกข์ไม่สามารถห้ามความไม่เที่ยงหรือความเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแม้แต่ของอัตตาได้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้สร้างเป็นต้นแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะว่าถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาไซรูปนี้ก็ไม่ควรเป็นไปเพื่ออาพาธดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนี้ถึงแม้การกำหนดรู้ดังกล่าวนี้ก็เป็นสัมมาสนะหนึ่งตามคําที่ว่าเป็นของหามีอัตตาไม่ โดยความหมายว่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสารดังนี้แต่ถ้าว่าโดยประเภทก็เป็นสัมมสนะ1ิบเอ็ดอย่างในยะในการกำหนดรู้ในขันทั้งหลายอื่นมีเวทนาเป็นต้นก็เป็นอย่างนี้อันหนึ่งเพราะรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นก็แตกต่างกันออกไป โดยเป็นรูปที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นต้นโดยนิยมเพราะฉะนั้นเพื่อแสดงปริยายของความไม่เที่ยงนั้นหรือเพื่อแสดงถึงวิธีมนาศิการซึ่งดำเนินไปโดยอาการต่างๆท่านจึงกล่าวพระบาลีไว้อีกแปลความว่ารูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความปราศจากราคะไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ในญาณิขันทั้งหลายอื่นมีเวทนาเป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้กําหนดรู้ขันห้าโดยอาการสี่สิบ เพื่อมุ่งหมายให้การกำหนดรู้คือสมสนญานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีอัตตาในขันห้าตามที่กล่าวมันนั้นนั่นแหละมีความมั่นคงโยคาวะจอนนั้นจึงกำหนดรู้ขันห้าทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการกำหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นแม้นั้นโดยประเภทซึ่งกล่าวไว้ในวิพางแห่งพระบาลีนี้แปลความว่าพระภิกษุ ได้เฉพาะซึ่งขันติยานอันเป็นอนุโลมโดยอาการสี่สิบอย่างไรบ้างพระภิกษุก้าวลงสู่สมมตตนิยามโดยอาการสี่สิบอย่างไรบ้างดังนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อส่งจำแนกอนุโลมยา น, นั้นก็ได้ตรัสไว้แล้วโดยนัยะเป็นต้นว่าพระภิกษุเมื่อเห็นขันห้าโดยอาการสี่สิบดังนี้ คืออ น, นิจจโตโดยความไม่เที่ยงทุกขะโตโดยความเป็นโรคโรคะโตโดยเป็นโรคคันทะโตโดยเป็นฝีสัน ล, ละโตโดยเป็นลูกศรเสียบอคะโตโดยความชั่วร้ายอาพาทะโตโดยความป่วยไข่ปาระโตโดยเป็นปรปักปโลกะโต โดยแตกทำลายอิติโตโดยความหายนะอุปัทวะโตโดยเป็นอุปัทวะพยโตโดยเป็นภัยอุปสักษษษษโตโดยเป็นอุปสรรคจลลโตโดยความหวันไหวปภังคุโตโดยผุพังอัทุวะโตโดยไม่ยั่งยืนอตานะโตโดยไม่เป็นที่ต้านทาน อาเลนโตโดยไม่เป็นที่หลบหลีอาซระนาโตโดยไม่เป็นที่พึ่งริตาโตโดยเป็นของเปล่าตุจัตโตโดยเป็นของว่างสุญญโตโดยเป็นของศูนย์อนัตตโตโดยไม่มีอัตตาอทีนวะโตโดยเป็นโทษวิปริณามธรรมโต โดยมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาอัสารกะโตโดยไม่มีสาระอัคคมูลโตโดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายวักะโตโดยเป็นผู้ฆ่าคือฆาตกรวิภาวะโตโดยปราศจากความเจริญสาสวะโตโดยมีอาสวะ สังคตตโตโดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้มารามิสโตโดยเป็นเหยื่อล่อของมานชาติธรรมโตโดยมีความเกิดเป็นธรรมดาจราธรรมาโตโดยมีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิธรรมโตโดยมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาบรณธรรมโตโดยมีความตายเป็นธรรมดาโศกธรรมาโต โดยมีความโศกเป็นธรรมดาปริเทวะธรรมโตโดยมีความกร้ามกรวนเป็นธรรมดาอุปายาสธรรมโตโดยมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดาและสังกิเลสิกธรรมโตโดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาสำหรับข้อนี้ในวงการวิปัสสนากรรมฐานเรียกหมายรู้กันว่าโตสี่สิบ เมื่อเห็นขันห้าโดยความไม่เที่ยงก็ได้เฉพาะซึ่งขันติยานอันเป็นอนุโลมแก่การบรรลุอริยมรรคเมื่อเห็นว่าความดับของขันห้าเป็นพระนิพพานเที่ยงแท้ก็ก้าวลงสู่ส ม, มัตตนิยามคืออริยมรรคดังนี้อธิบายความอาการสี่สิบ โยคยีผู้นั้นกําหนดรู้ขันห้าเหล่านี้อย่างไรแน่ละ่ะโยคยีผู้นั้นกําหนดรู้ขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันขยายความออกไปด้วยการกําหนดรู้ลักษณะมีอนิจจ์ความไม่เที่ยงเป็นต้นซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วโดยประเภทต่างๆอย่างนี้คือหนึ่งโดยไม่เที่ยงเพราะไม่เป็นไปเลยที่สุด และเพราะมีต้นมีปลายสองโดยเป็นทุกข์เพราะบีบคั้นเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับและเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สโดยเป็นโรคเพราะต้องเยียวยาด้วยปัจจัยและเพราะเป็นที่เกิดของโรคสี่โดยเป็นฝีเพราะประกอบด้วยสิ่งเสียดแทง คือความเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ไหลออกของสิ่งไม่สะอาดคือกิเลสและเพราะมีการกลัดหนองและสุกแก่แล้วแตกไปด้วยความเกิดความแก่และความแตกดับหโดยเป็นลูกสอนเสียบเพราะให้เกิดความบีบคั้นและเป็นสิ่งทิ่มแทงอยู่ภายในและเพราะเป็นสิ่งที่ถอนออกได้ยาก หโดยความชั่วร้ายเพราะเป็นสิ่งควรตาหนิตีเตียนเพราะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและเพราะเป็นที่ตั้งของความชั่วร้าย7โดยความป่วยไข้เพราะไม่ทำให้เกิดเสรีภาพและเพราะเป็นประทัยฐานของความเจ็บป่วย 8. โดยเป็นปรกระัก เพราะไม่มีอำนาจบังคับบัญชาและเพราะบังคับบัญชาไม่ได้เกโดยแตกทำลายเพราะแตกทำลายไปด้วยพยาธิชราและมรณะสิบโดยความหายณนะเพราะนำมาซึ่งความพินาศมากมายสิบเอ็ดโดยเป็นอุปาทวะ เพราะนำมาซึ่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์ที่รู้ไม่ได้เลยอย่างมากมายและเพราะเป็นที่ตั้งของอุปัตถวันตรายทั้งปวงด้วยส2องโดยเป็นภัยเพราะเป็นที่เกิดของภัยทุกประการและเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อความอบอุ่นใจอย่างสูงสุดกล่าวคือความระ ง, งับทุกสิบสาม โดยเป็นอุปสรรคเพราะติดตามมาด้วยสิ่งไม่เป็นประโยชน์หลายประการเพราะประกอบด้วยโทษและเพราะไม่นำมาซึ่งความอดกลั้นคล้ายเป็นอุปสรรคสิบสี่ 14. โดยความวันไหวเพราะหวันไหวด้วยพยาธิชราและมรณะกับทั้งหวันไหวด้วยโลกธรรมทั้งหลายมีความมีลาบและความเสื่อมลาบเป็นต้น สิบห้าโดยผุพังเพราะมีปกติเข้าถึงความผุพังไปด้วยความพยายามและโดยสภาพของมันเองสิบหกโดยไม่ยั่งยืนเพราะมีปกติร่วงหล่นไปในที่ตั้งทุกแห่งและเพราะไม่มีความมั่นคงสิบเจ็ดโดยไม่เป็นที่ต้านทาน เพราะไม่เป็นที่ต่อต้านคุ้มครองและเพราะไม่ได้ความปลอดภัยที่ควรได้18โดยไม่เป็นที่หลบลี้เพราะไม่เป็นที่สมควรเพื่อหลบลี้กับทั้งเพราะผู้หลบลี้ทั้งหลายทำกิจในการหลบลี้ไม่ได้19โดยไม่เป็นที่พึ่งเพราะไม่มีความกำจัดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย ยี 20, โดยเป็นของเปล่าเพราะว่างเปล่าจากความยั่งยืนความงามความสุขและความมีอัตตาตามกําหนดคาดคะเนไว้ยี่สิบเอ็ดโดยเป็นของว่างเพราะโดยเป็นของเปล่านั่นเองหรือเพราะความเป็นของเล็กน้อยเพราะว่าแม้ของเล็กน้อยในโลกเขาเรียกกันว่าของว่าง ยี่สิบสองโดยเป็นของศูนย์เพราะปราศจากอัตตาผู้เป็นเจ้าของผู้อยู่ประจําผู้สร้างผู้เสว ย, ยและผู้บงการยี่สิบสามโดยไม่มีอัตตาเพราะไม่มีผู้เป็นเจ้าของด้วยตนเองเป็นต้นยี่สิบสี่โดยเป็นโทษเพราะเป็นทุกข์ด้วยการเป็นไปในภพ คือสังสารวัฏและเพราะความทุกข์นั่นเองเป็นโทษอีกประการหนึ่งชื่อว่าอาทินวะเพราะอัตถะว่าผู้ไปผู้ถึงผู้เป็นไปสู่ความยากจนคำว่าอาทินวะนี้เป็นคำเรียกคนยากจนและแม้ว่าขันห้าก็เป็นสิ่งยากจนเหมือนกันเพราะเหตุนี้โยคยีจึงกาหนดรู้โดยความยากจน เพราะเป็นเช่นกับคนยากจนยี่สิบห้าโดยมีความปรวนแปรอยู่เป็นธรรมดาเพราะมีปกติแปรผันไปสองทางคือด้วยชราหนึ่งและด้วยมรณะหนึ่งี่สิหโดยไม่มีสาระเพราะมีความอ่อนแอและเพราะหักง่ายเหมือนไม้ผุ 27. โดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายเพราะเป็นเหตุแห่งความชั่วร้าย 28. โดยเป็นผู้ฆ่าคือฆาตากรเพราะเป็นผู้ฆ่าความไว้วางใจเหมือนศัตรูผู้มีหน้าเป็นมิดร29โดยปราศจากความเจริญ เพราะปราศจากความเจริญและเพราะให้เกิดความไม่เจริญสามสิบโดยมีอาสวะเพราะเป็นฐานไปสู่อาสวะสามสิบเอ็ดโดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้เพราะเป็นสิ่งที่เหตุและปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสามสิบสองโดยเป็นเหยื่อล่อของมาร เพราะเป็นเหยื่อล่อของมาจุมานและกิเลสมานสาถึง36โดยมีความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยและความตายเป็นธรรมดาเพราะมีความเกิดแก่เจ็บป่วยและตายเป็นปกติ37ถึงสามโดยมีความโศกความครื่มครวญและความขับแค้นใจเป็นธรรมดา เพราะเป็นเหตุแห่งความโศกเศร้าความกล้ามครวญและความคับแค้นใจสี่สิบโดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเพราะเป็นธรรมะที่เป็นวิสัยหรืออารมณ์ของสังกิเลสคือตันหาทิฏฐิและทุจริตทั้งหลายสงเคราะห์สัมมสนาสี่สิบ ลงในอนุปัสนาสามแท้จริงในการกำหนดรู้คือสมณะโดยอาการ4ี่สิบที่กล่าวมานี้การกำหนดรู้โดยอาการสิบขยายต่อไปอีกคือโดยความไม่เที่ยงโดยแตกทำลายโดยความวันไหวโดยผุพังโดยไม่ยั่งยืนโดยมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาโดยไม่มีสาระ โดยปราศจากความเจริญโดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้และโดยมีความตายเป็นธรรมดาในขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันแยกเป็นอาการละสิบรวมทั้งห้าขันเป็นอนิจจานุปัสสนาห้าสิบกำหนดรู้โดยอาการห้าต่อไปอีกคือโดยเป็นปรปักโดยเป็นของเปล่าโดยเป็นของว่าง โดยเป็นของศูนย์โดยไม่มีอัตราในขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันยากเป็นอาการละห้ารวมห้าขันเป็นอนัตตารูปัสนายี่สิบห้าการกำหนดรู้ที่เหลืออีก25บห้าอาการกล่าวคือโดยเป็นทุกข์โดยเป็นโรคเป็นต้นในขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันแบ่งเป็นอาการละยี่สิบห้ารวมห้าขัน เป็นทุกขานุปัสสนา125ยหด้วยประการช น, นีรวมทั้ง ah าสามอนุปัสสนาเป็นสองอาการเมื่อโยกขี่นั้นกำหนดรู้ขันห้าด้วยการกำหนดรู้โดยไตรลักษ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นโดยจำแนกเป็นสองอาการดังกล่าวมานี้สัมมสนะ คือการกำหนดรู้โดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาที่เรียกว่าในยาวิปัสสนานั้นก็มั่นคงด้วยประการชนนี้นี้เป็นวิธีเริ่มต้นการกำหนดรู้โดยดำเนินตามในยพระบาลีในสัมมสนญญาณ น, นี้ก่อน